คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากทำแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวิ น, นัยหรือพระปรมัตา์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น คำว่าศาสนาคือคำตังสอนถ้ า, ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึงแต่คำตังสอนนี้ออกมาจากทมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไตนั่นแหละคือทมแท้ดังที่เทศเมื่อคือนนี้แล้วและท่านนำอาการ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 สกิทาคาผลอานาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สาเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโสดาสกิธานาคาอารหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมา ท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมมัดของใจติดอยู่กับใจดะนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนาธรรมจึ่งไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริง แต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลําดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหลจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทางาน ถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงไงก็ตามของเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สําเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นําเครื่องมือนั้นปไปประกอบไปทํางานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะเป็นใช้ในกิจการอันใดตามและตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสําเร็จ ทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทําขึ้นมาเป็นลำดับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนเหล่านี้เป็นต้นาศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเรียนจดจำมาเอ า, าไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัย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 เต็มไปหมดภายในยดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลั ก, กจติตธภรมนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับลำดับ จนนับไม่ถ่วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในใจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งข่าคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมไม่มีเอียบด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 ทั้งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในใจิตใจเนี่ยที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้งสี่หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอยาบท เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านถึงสอนให้ชาระท่านถึงสอนให้ระงรับท่านถึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ควรกระแสของจิตที่คิดออกออกมาแต่และสิ่งหนึอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างเล้วจะได้การกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราต า, ามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลาดับ นักปากท่านถือกันยิ่งนะักนักปราชท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งๆเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตอนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติ ที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทาได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัดเป็นทำทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดชัดโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้น ตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทําหน้าที่ปราบปรามกิเลตอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทํางานในการปราบพิเรตนี่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 ในทางนี้ท่านี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกครานจนเกิดความอิดหนาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จชินเสร็จไปนังพระพุทธเจ้าลูกสาพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิดหนาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละ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 นี่มันคิดกันอย่างนี้อ่ะคนที่ได้รับการอบรมกับไม่รับการอบรมผู้ไม่รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความห ล, ลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอร์เซนวันไหนในโลกวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่าแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนน้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอํานาจวาสนาเพราะ ได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อรับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงสแสดงตัวขึ้นมานั้นรับเห็นมาเป็นความผิดของตัวแม้จะระงรับไม่ได้นะการนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราถอไป เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้ในขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งลหล้ยผลแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดให้เขาทาไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้น เราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโโธโศให้เราเรายังไม่พอใจเห็นได้เราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใครไม่ปรารถนาเลยนี้ต่อเขาได้แล้วนี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนักนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษ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 รู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างอ่ะกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดนหนะักจนกระทั่งพอแสดงความมุนิศขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความมุนิศนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นะ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 คือเป็นจิตล้วนล้วนไม่มีอะไรเข้าแทรกสิงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคุกคลานมาตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ยวนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกข์ก็อยอมรับสุข ก, ก็อยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยไถ่เดียวไม่ได้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 มัตติมาพาขึ้นขึ้นพาลงลอา้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบอดตามขุด ต, ตามพ้นตามฟาดฟันหันแหลกอา้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสน่ะเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่นุ่มๆดอนๆทุกท่างสูงๆต่ำๆนุ่มๆดอนๆแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผิดขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้ว กิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอา้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือพันนจใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเป็นลํำดับลำดับตัวไหนาตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามฆ่าตามพันจนแหลบไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิฏถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัท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 ต่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนกล่อมเรื่อยเรือผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบน่นพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบน่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดีวยวกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันพิเลศมันกลัวด้วยการบน่น มันคิบหายไปหมดแล้วแต่กิเรศไม่ไดหลุดลอยไปเพราะความบ่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเหนานี้เท่านั้นีิเรศถึงจากตัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเกา่า ถูกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งัๆในปีใหม่ก็ทุกหักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถุกอย่างงู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งนไปหมดถึงบันปีใหม่นะโอ้ส่งสอขอซอยกันยุ่งไปหมดขอก็ขอก็มีตัวนังสือๆๆตัวใจมไม่ไม่ไมขอขอถอยไม่ขอขอซส่งความถุกนี่ มันอยู่ภายในนี่นี่เอาสอกรสอตรงนี้นะจะไปสอกรสอวันนั้นปีนี้ยุ่งไปจะไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกขอยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้ไปนู่นตรงที่ตรงนั้นสอกระสอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสอกระสอทำพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทํานั้นก็ไม่ได้ผิด แต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปันติโกเราว่าตราหนิดตเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงมันเพิงงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆก็มีความรื่นเรงมันเพิงมีความหวังด้วยกันแต่ถ้าจะพิจารณาลึคิดไปนแ่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ย้อนหน้าย้อนหลัง ีการอธิบายถึงเรื่องสคสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสคสภายในสคสภายนอกอืมสคสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้ก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้โดยลำหนักจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสคสขึ้นภายในจิตใจ